การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็สเช่นเดียวกับเราทํามาหากยั่นขีดทําการค้าขายหรือติจการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันมันก็ไม่แน่นะทําให้ผูท้ทําได้มีความเพลินเพื่อการค้าขายยิ่งมีรายได้มากเป็นไรก็ยิ่งทําให้ถูกค้าขายนั้นมีแก่จิตใจแก่จิตแก่ใจ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 มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั้นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องท่าสอนตนเองให้มีความฉลาดและอุดช่องโหวเข้าไปโดยลำหนักต่อไปก็มีความว่าพอ่อและทานกระเหตการทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันการกปฏิบัติที่แรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเราคำบ้านตีดินใส่เข้าไปปุ้งตั้งปุ่งตั้งสติไม่ทราบเป็นไงปัญญาไม่ทราบเป็นไงเห็นท่านเดินยังกรมกนเดินกับท่า น, นงภาวน า, าน ก, นก็นั่งกับท่าน เห็นท่านทํมากกทําทำแต่อาการของจิตที่ท่านทางานนั้นแสดงในงานนั้นเรามันมองเห็นเห็นแต่กิจยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียกว่ามีผิดพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทำมาผิดจากหลักนั้นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏเราทําให้สองที่เกียดก็ไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมา เลยนะการอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่เครู้หรืสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทําทให้เราลึกได้ว่าเราทําอย่างนั้นผิดไปท่านสอนเรนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามนําวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปยึดปฏิบัติตดําเนินตามผลก็ให้ปรากฏขึ้นมานักนี่เรียกว่งางานทางใจการเดินจังกรมนั้นเป็นอิยาบทของส่วนร่างกาย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 ก็ต้องทําตามจุดเฉพาะนี้ก่อนเมื่อตังหาตัณตาทําโดยเฉพาะไม่ขาดหน้าขาดหลังอดีตอนาคตให้มีปัจจุบันเป็นจุดที่ทํางานใจก็ย่อมไปรับความสงบเมื่อใจรับความสงบผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบเป็นอย่างนี้นานเริ่มทราบแล้วผลของกานเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วคนนั่นก็ดพยายาม แล้วเป็นเชื่อแห่งความเชื่อความตั้งสายขึ้นมาแล้วเป็นสายทางอันหนึ่งที่จะให้มีการติดตามผลงานของตนที่ผ่านมาแล้วนั้นให้เป็นผลงานขึ้นในปัจจุบันอีกในวรระต่อมาต่อมาเป็นลาดับในวรระต่อไปเป็นลำดแบบับนี่เรียกว่างานของจิตและผลงานของจิตในขั้นนี้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 แล้วไม่ขึ้นอยู่กับคาว่าเราโง่เราฉาลาดเหล่านี้ไม่ขึ้นทั้งหมดแต่มาขึ้นอยู่กับวงเฉพาะคืองานที่ตนทําในรันในขณะ น, นั้นสติได้อยู่กับงานนั้นหรือไม่มีความสืบต่อกันประการใดบ้างหรือขาดวักขาดตอนไปอย่างไรบ้างนี่เราสังเกตตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบงานโดยความสืบต่อความคิดพิจารณาคือความมีปัญญารอบอยู่ ตามฐานะแห่งปัญญาของเรานีมีสติคุณในงานเอาขั้นสติซะก่อนว่ามีสตริรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทำอย่างนี้นั้นผลไม่ค่อยจะผิดพลาดไปถ้าผิดจากคิดว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลอย่างที่ ไปพินกับสิ่งนั้นไปอิงกับสิ่งนี้อยู่การศึกษามากรู้มากมีที่อ่านใจตองอะไรกำหนังนั้นอันนี้ให้ยกเลินทั้งหมดในขั้นรุ่มแรกจะนําเข้ามาสนใจไม่ได้จะทํางานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทำํำจนปรากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนเนี้ยความคล่องแคล่วของจิต ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคําว่าความค่องแค ล, ล่วหรือความทํานานของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผู้ทำความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยผู้ยังไงเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสําหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติทํานานก็ปรากฏความค่องแค่วในตัวเองไม่ใช่ทํานานด้วยความคาดความหมายสติเร็วอย่างไรบ้างช้าอ ย, อย่างไรบ้าง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 ของสติมีแล้วสติจะทันในในหลักธรรมชาติของตัวเองตัวเองของตัวเองตัวเองเรื่อยไปเลื่อยไปนีป่ชื่อว่าถูกต้องตามหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติการันเมื่อได้ดําเนินไปตามกรอบแห่งธรรมที่ถูกต้องือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเล ย, เลยแต่เคยมีความพผู้ช้าบุ่มบาขนาดไหนทยศขนาดไหนก็เถอะ ความพยศนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเรากคุ้นกันแล้ว ก, 5, การดัดพยศนั่นก็คือธรรมเวลานี้เราเราบำเพ็ญธรรมเพื่อการดัดกิเลสดัดความพยศเหล่านั้ น, นเมื่อกําลังพอกันแล้วความพยศนั้นมันก็ลดตัวของมันลงไปเองถ้าติดปัญดาก็ค่อยๆทันกันไปโดยละม่อมมีเรียกว่างานงานของจิต ผลแห่งงานได้จากความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในจิตใจคล่องแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคล่วด้วยทําความภาคเพียรไม่อิจฉาด ห, หน่วยหน่ายเพราะผลเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนนั้นระยะต่อไปก็เอื้อมแนกขึ้นไปเรื่อยๆเส่นเดียวกับเด็ก ค่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะการบำรุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อได้รับ ก, การบำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ำเสมอก็จ ะ, จะแสดงความคล่องแคล่วแก้วกล้าหรืมีความชำนิชำนานผลที่ปรากฏก็คือความสงบร่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุไปในแง่ญญญต่างๆซึ่งเคยไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยเข้าใจไปโดยโดยระดับๆสิ่งที่มีอยู่ที่ผ่าน ขาหูใช้ตายในตลอดเวลาแต่ไม่มีไม่ไปสดุปสติปัญญาให้ภาพให้คน้นคว้าให้พิจารณาให้เข้าใจก็จะรับภาพเพราจะเข้าใจทั้งข้างนอกทั้งข้างในจะวิ่งเข้ามาเพราะอำนาของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทําให้รับทราบจะเป็นเครื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายมีกานเรียกว่ารู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายในเต็มโลกเต็มท้องทงาร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 ในตามถ้าตามซอกเขาที่ไหนก็ตามงานอันนี้เป็นเป็นงานที่ทำอยู่ในสถานที่นั้นๆไม่ลดละความภาเพียรผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลำดับลาดับเรืออริยะผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าเราจะออกค้นตามล่าที่เหล็กที่นี่นะ พิเดชไปเจี่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรพระเจี่ยวกว่าเที่ยวต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตัวเองเป็นผู้แบบผู้หามเป็นภาระให้กดท่วงมากมายน่าจะประทานเป็นผู้ไปเที่ยวยึดถือมานิเดชก็ตามล่าทิ้ตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่นนั้นคืออะไรแล้วไปหลงรักหลงทางหลงติด ก, กับสิ่นนั้นเพราะเหตุใด อันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความจริงของตนอีก ว, ว่าเป็นผู้หลงสิ่งนั้นเพราะตนเป็นผู้พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษใงความเป็นผูหลงตนโดยลำหนักลำหนับหนี่การพิจารณาในแงยย่อื่นก็ตามที่จะมาผัดสัมผัสทางหูเขาตําหนิเราหรือเขาตําหนิใครก็าตาม เขาชมเราหรือชมใครเขาตามความติความชมนั้นเป็นธรรมเป็นโลกธรรมหรือเป็นธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสะดุดใจให้เราพิจารณา ร, รู้ตามความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติแห่งความตนิติชมของสิ่ง น, นั้นๆหรือของคนนั้นๆั้นี่เราได้สติกันดาโดยลํำดับเลยมีเรียกว่าเราเรียนให้รู้ความจริงทางตาจะเห็นอะไรพบอะไรเข้าพิจารณา หูท้งจมูกทั้งลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไรใจตรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุกเรื่องทุกข์เรื่องอดีตเรืองอนาคตตลอดถึงปัจจุบันที่ตรุงแต่งขึ้นมานี้ตรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำหนับลําหนานี่ชั่วงานงานของหยิบผลที่จะควรได้รับก็คือความเข้าใจแล้วก่อยวาง สิ่งที่เคยหนักหน่ ว, นวงข่มผิตใจมาโดยลำดับเป็นเวลาหนักแล้วค่อยล่อยวางลงได้ด้วยอานาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังและทราบโดยลำดับลำดับเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าผลของงานหิงคติปัญญามีความสามารถหญิงมีความแก้วกล้าขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางระมัดระวังเท่าตามต้อนตามล่าที่เละ นิเวศคืออะไรก็คือความสําคัญออกไปจากความสําคัญ ห, หมายของใจนี่เองนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสําคัญนั้นสําคัญน้นหมายนี่เป็นกิเวศอย่างเดียวมันก็ไม่ทั่วถึงมาละเอียดต้องไปเปิดเผยอ น, นั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่นมีสิ่งปิดบังไว้ในภาชน ะ, ะไหนก็ต า, ามย่อมจะเกิดความลังัยแล้วเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นน่าฉันต้องไปคลีบคานดูให้ดีให้ละเอียดถีตัวนให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่ย แล้วใครเป็นผู้สําคัญว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี่มีและเกิดความงสงสัยและประยุดมั่นถึงมันในสิ่งนั้นก็คือใจนะ เ, ะเมื่อเปิดเผยให้ใจดูแล้วใจก็หายสงสัยแล้วถอนตัวกลับมาถอนตัวกลับมาเนี่ที่ท่านพิจารณาสิ่งภายนอกเพื่ออย่างนี้เองพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในถ้าเราจะพยายามให้ทราบแต่เรื่องภายในโดยพิจารณาภายนอกสิ่งที่มีความสงสัยอยู่ภายนอกก็คือจิตมันก็ลงไม่ได้ มันถอนตัวของมันไม่ได้เมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วมันก็ถอนของมันมาเองจึงต้องมีทั้งภายในภายนอกเป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลำดับของการพิจารณานี้เมื่อพิจารณาภายนอกจนตลอดทั่วถึงทราบอย่างกระจักแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความปล่อยวางแล้วการที่จะไปสนใจกับสิ่งนั่นๆภายนอกมันก็ปล่อยมันเองไม่สนใจมีความ สัมผัสหรือดุดดืดด่นอยู่ในจุดใดกาจะพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาทีนี่ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาแหละที่แรกมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระทบโลกธาตุจะหั่นไหวเพราะปัญดามันวิ่งเต็มที่กว้างขวางมากมายลึกลกล็กกลึกสูงก็สูงกว้างก็กว้างไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรุนเริงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสินั้นๆ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 เขาใจที่ตรงไหนก็ปล่อยวางกันไปเนี่ยถ้าเรียกว่าฆ่าที่เรศ ก, ก็ถูกถเรียกว่าล่าที่เรศ ก, ก็ถูกแล้วก็ขุดค้นสิ่งที่ลี้ลับอันทําให้ใจสงสัยขึ้นมาให้ใจได้รู้ได้เห็นแล้วหายสงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทํางานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของทำงานของทำ เกิกระทั่งจติตปัญญามีความคล่องตัวนั่งที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรุนเริงมันเพลินเลยงานและผลของงานที่ได้ก็เหมือนกับเศรษฐีที่เพลินในรายหน้านเองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดกันอยู่ตลอดเวลายิ่งเต้นขนขวาวื่องด้วยอยู่ยเศรษฐีมันยิ่งมีความขายันคนจนเท่าไหร่ยิ่งซีเกี ย, นนยดนจติดกันนะเศรษฐีแทนที่จะนั่งจะนอน สมาชิสภาเอะไรก็มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเพรายิ่งยิ่งเต้นคนขวายิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะยิ่งเต้นคนขวายก็ให้ได้มากองเขี้กักขี้เกียจหนักผู้ปฏิบัติก็เหมือนการนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไมเห็นอะไรแล้วกักขี้เกียดพอรู้ไปพอเห็นพอเข้าใจเข้าไปบ้างก็เพิ่มความขยันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าใจลึกซึ้งเท่าไรยิ่งมีความขยันหมั่นเพียร เป็นกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นเขอให้ได้ให้ถึงหันหันหมุนมันไปเองอเอาแค่จนกระทั่งลงทะเลหลวงจะตูมหมดสมุดนั่นแหะเดี๋ยวลงทะเลหลวงนั้นก็หมดปัญหานเองเรื่อความภาคเพลินที่หมุนตัวเป็นเกลียวธรรมาจากักนั่นก็หยุดเองจะหมุนไปไหนถึงจะจะหมนะุนก็ฟาดตะฟันมันแหลกทั้หมด มันก็มีอะไรที่จะห ม, นะนะมุนกระซ่ากระฟันก็ะท่ามันจะแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโซดาปติผลสกิทาคานผลอนาคาันผลอรหัตตผลก็ขึ้นไปโดยลำํำดับลำนับถึงผลสุดท้ายก็นิพพานสมบัติเนี่ยอรหัตตผลกับนิพพานสมบัติก็มีอะไรผิดแปกกันถึงขั้นอรหัตตผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือ น, นิพพานสมบัติโดยตรงนี่ สมบัติั้งท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลําดับลําดับเนี่ยงานอันนี้เป็นงานทางด้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนสิ่งที่รกลุงรังอยู่ภ า, ายในจิตใจให้ออกในจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาโดยลําดับลําดับขายแส้มาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรรมชาติของจิตแต่พอถูกปกคลุมหุ้มหอ่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่งตกตกัวตัม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 เพราะงานแก้กิเลสไม่มีลายผิดกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแก้กิเลสจึงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิบัติและแต่ความถนัดของผู้นั้นจะมีจดิษณ์นิสัยหนักแรงออมาฝุกมากค้นอมาใามามาามาช้ใเกิดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมัชฌิมาอันเดียวกันผลที่คุณได้รับก็คือความบุดพ้นไปโดยลำหนักลำหนักจนกระทั่งถึงบุดพ้นได้โดยสิ่งเชิงไม่มีลายเหลือ นี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาทางด้านจิตใจจึงขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายนำบนทมนุพิจนาให้ปรากฏขึ้นภายในจิตทั้งตนดังที่กล่าวมานี้จึงขอด้วยจิตเชิงขนี้ไปว่ามากกับเราเรื่องอะไรก็คซิดขึ้นมาเหมือนกับคนพูดอยู่ภนใน อย่างที่ท่านเห็นท่านเห็นชอบที่ว่าเสือประดังกันอย่างนี้ทั้งข้างหน้าข้างหลังเนื้อกาลังฉาบก็นั่งกำลังฉาบคือเสือตั้งสองตัวนั้นมันเคยกินคนแล้วมันรู้วิธีกินคนนะแต่ให้ระวังทางไหนบ้างมันเข้าข้องกันเนี้ยเขาบอกแล้วว่าเสือพวกนี้มันเคยกินคนเป็นประจำาลังจากที่ติดประกาศปากดง ก็ห้ามตั้งแต่วันเที่ยงตั้งแต่ตะวันเที่ยงแล้วห้ามผลานห้ามผ่านตรงนี้ห้ามเข้าไปผ่านตรงนี้คือถ้าจะไปทางอืน่นนะั่นเขาห้ามแต่สำหรับชาวบ้านเขาก็รู้แล้วจริงปะคะกินเอะไรนึงเขาก็เป็นอันหนึงอ่ไอ้ผู้ที่จะเดินทางตามทางนี้จนกระทั่งถึงทะลุไปที่อื่นเขาปิดประกาศห้ามตั้งแต่วันเที่ยงแล้วห้ามไปคือจากตังก้งแต่เที่ยงวันไปจนกระทั่งถึงกงคืนนั่นน่ะมันจะไม่ทะลุ ดุงนี้แล้วเสือคนนี้มันเคยหากินคนเไ ป, ไป็นประจำเนลากัางคืนออกมาจ อ, อที่ท่านาจารชอบนีอเ อ, เองด้วยเนี่ยพอเสือมันฉ า, ากมาจริงแล้วท่าน้านกล่องเนี่ยเราคงจะ ยังไงก็ยังไงละ่ะมันนี่วะคนเราจนก่อมันเข้าก็เคยเข้าอยู่แล้วกิเนี่ยไมีอะไรพึ่งเขาพึ่งตัวเองตัวเองก็หมายถึงทำภายในใ น, นั้นเขาบกกำหนดเลยทันทีคือมันจนก่อลแล้วทนนว่านั้นก่อฉากฉากท่านี้ก่อฉากฉากวันนี้ท่านั้นก็ฉากมันมันจะให้สังหวะพร้อมๆกันน่ะพยานกระเถือเทพผมรู้แหละ คือเทพบันดาลใจก็ได้มันหลายอย่างนะพอเห็นท่าเติมมุมจริงเท่ากำหนดจนริงคือท่านปล่อยหมดไอ้เรื่องคำโน้นคำนี้ท่านปล่อยหมดแล้ิตเข้าเขากำหนดอันนี้นนจิตก็ขยับลงไปเลยทันทีจต่มยังไม่ถึงพื็เนเลยพอขยับลงไปแล้ ว, ล ว, ลวก็ขุดขึ้นมาหนังที่ตอนน้าพันเนี่ยเพราเสือทําอะไรไทําอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวหนงงังฟังสิเนี่ยที่เป็นเรื่องอัศจรรย์อ่ะ เสือทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลัวพอวางกําลังพอวางคันพบลมปุ๊บคราวนี้หาเงียบหมดเลยไม่มีอะไรทั้งสิน้นคือความตัญญาอารมณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องสมมุติต่างๆภายนอกไม่มีอะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายไม่มีเลยตาเขาจะตั้งหลายชั่วโมงนี่ร่างกายก็หายเงียบในความรู้สึกไม่มีอะไรเลยอเวลามันจนกว่ามันลงได้เต็มที่นั่น จนกระทั่งจิตมันถอนขึ้นมาก็ไม่ทราบเม่อกี่ชั่วโมงไอเจนไขาที่โคมไฟนั่นอ่ะที่หิวอยู่นี่มันก็มีไฟอยู่นั่นทเท่าที่หิวเดินทางทุนนี่ท่านยืนหิวกดก็แบบบาเขาจะพายบาบานก็แบบกดก็อยู่อย่างนั้นเดินยืนอยู่อย่างนั้นธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็หิวย่างนี้แล้วจิตมันก็รวมก็อยู่งั้นน่ะมันไม่พาหกล้มไปได้เลยฮะยืนเอียวยืนเอียวยืนยืนอยู่งั้นเลยคิดดูสิ ไม่หกไม่ล้มทั้งๆที่ไม่รู้สึกตัวเลยขนาดนั้นมันความความรู้สึกตัวนั้นน่ะว่าตัวมีน่ะมันหมดอย่างนั้นเถอะมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเสือว่าอะไรนัมันหมดแม้แต่ร่างกายที่เป็นส่วนเฉพาะตัวนี้มันก็หมดในความรู้สึกนะมันยังยืนได้นี่เลยมันยังให้ท่านนั่งภาวนาเอาเหมือนกันยังขอตัวสมบัตินี่เจ็ดวันนี่ดังข้อตัวสมบัติเจ็ดวันนี้ท่านล้มเมื่อไหร่ท่านไม่ได้ล้มนี่ก็อยู่นัง อันนี้ก็ทรงตัวตามธรรมชาติของมันอันนั้นก็ทรงไปตามธรรมชาติพอจิตถอนม า, ม า, มาแล้วทุกคนรู้สึกตัวพอพอรู้สึกตัวแล้วอะนี่ก่อนอะไรรเป็นปกติท่านก็เลยนั่งลงแล้วเอาไมา้เอาไม้ติดไฟมาสี่จุดเทียนเลยจุดเทียนใหญ่แล้วมองไปไหนไม่เห็นเขือมัเห็นตักตัวหายไปเนี่ยอะไรกั มันมีอะไรเลื้อยกันเหรอแตกอภิจันทร์ที่ตรงที่ยืนเงี้ยนี้ถ้าจุดไฟไปแง่หลังก็มองนู้นมองนี่ทีนี้เสือที่เคยกลัวแต่ก่อนมันเลยกลับเป็นอะไรทังพูดมันพูดไม่ถูกมันเป็นมิตรเป็นเสหายเป็นอะไรอย่างซึ้งเลยว่างั้นนะกันว่านะแล้วอยากจะพบมันอีกที่นี่ไม่ใช่เสือแล้วอยากพบเพื่อนอยู่ทันวันฟังเว้ นี่แหละทําแล้วเสือก็ไม่ทําอะไรได้เลยมันไม่ทําเลยไม่ทราบปัญหาเปนไหนแล้วนี่ท่านท่านที่มันฉาดฉาอยู่ห่างประมาณสองวาน่าตัวแล้วสองวานั่นนั่นเองมันฉาดฉากฉาคนี้ฉางคือเสือพวกนี้มันเคยกินคนมันรู้วิธีกินนะมันต้องเข้าความกันเลยไม้มีทางหลบแปลกเสือทําอะไรไม่ได้มันต้องกลัว ขุดขึ้นมาคือคือคือขั้นที่พอขุดนะครับขั้นเนียบจริงจะไม่มีอะไรขุดนะขั้นขั้นขั้นเนี้ยขั้นขั้นที่พ อ, อนั้นได้นถ้าว่าเร็วกวสมาธิก็เป็นอิปการะสมาธิถึงออกรู้ั้นรูนี้นี่อันนี้มันขุดได้หรือปิจิตธรรมดาที่มีฐานอยู่แล้วนั้นทุนได้ธรรมดาอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้เร็วกว่านะั้นอีกคือเป็นเรื่อยๆอันนี้ปีจิต จิตที่เป็นพื้นธรรมดาของจิตเนี่ยเป็นพื้นมายถึงว่าพื้นของธรรมของจิตมีอยู่ในนั้นแล้วว่างั้นเป็นไนะมถ้าจะจิตธรรมดาเหล่านี้หมายถึงท่านมีพื้นเพลงท่านอยู่เป็นปกติถึงจะรวมไม่รวมก็ตามอันนี้ขุดขึ้นได้ไม่เลือกการเดี๋ยวเราสงบลงไปอีกขุดขึ้นมาอีกอนน เ, ปเป็นเรื่องที่แปลกเหยียดถ้ามาเป็นสังขารนั่นก็ไม่ใช่เมื่อปรากฏว่ามันตรงแต่แยบๆขึ้นมา คือต้องขานเรื่องอะไรมันมันมันมีเรื่องอะไรมันเกี่ยวข้องอะไรมันมันจะมันจะกระเพื่อมตัวกระเพื่อมตัวมันแต่อันนี้มันธรรมดามันไม่ได้กระเพื่อมที่ที่ผุดขึ้นมานั่นอ่ะไม่ทําผิดต้องเราใหกระเพื่อมเช่นเดียวกับเช่นเช่นเช่นเราเช่นเราปรุงเราแต่งเราคิดนะอันนี้ไม่มีมันขึ้นมาอย่างละเอียดเลยให้ทราบความชัดเจนเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าเสือทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวเนี่ย แพลออกมาเลยทันทีแล้วให้เข้าใจครับกับที่ว่าอที่เคยพูดถ้าไม่จุดไม่ต่อมัรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวครกอันเดียววันนี่ยอันนี้จึมีต่อมันรู้ที่ไหนอยู่ที่ไหนนั่นแหละดูตัวครกเนี่ยมันก็อันเดียวกันเหมือนกันนี่ว่างั้นเด็กคือออกมาเฉพาะไม่ได้ไม่ได้ปรุงขึ้นมา เพราะไม่คิดไว้ไอ้ น, นี้เราก็ไม่คิดว้ว่าอันนั้นมันคืออะไรแล้วไม่ได้คิดคาดเอาไว้พอจะไปปรุงอย่างนั้นแม้แต่ขึ้นมาแล้วเรายัางงงเลยให้ธรรมะต่อมคืออะไรนะไม่รู้จะต้องต่อมแล้วจุดขึ้นจากจิตใช่ออกมาจากนั้นแนหะแต่มันไม่ทําจิตให้กระเทือนนะอันนี้ไม่ทําจิตให้กระเทือนออกมาจากนั้นนะ่ะ เขาไมเรียกว่าทำจะได้อะไรพูดอย่างนี้แล้วทำไมมันจะหมดน้ำมันนี่มันล่อนอยู่ไม่ทรางลงได้เ ม, มื่อไหร่ก็ลงไปดิไม่ท่านทำจะอะไรเน่ล่อนไปร่อนมาน้ำมันหมดแล้วตกตายแตว่าถ้าไม่จะทำแล้ว อ, อะไรฉะนั้นมันก็หมดปัญหาทัท น, านทีท่านอาจารย์มัทาอะไรเน่คืออันนี้ความามอย่างชาเลยต้มี มีตามตลิขิสัยของคุณผู้ปฏิบัติคืออย่างท้าบไปเลยคือท้าบอย่างละเอียดตามเหตุตามผลมทราบไปเลยโดยแล้วไม่ต้องคิดต้องปรุงมันเป็นความซุมเศรา้าท่านอะไรอันนี้จะว่าเป็นอะไรปัญญามันมันเป็นส่วนเป็นส่วนใหญ่ท่านเรียกว่าญาณก็หมายถึงอันนเองคือมันหยัง่งเลยา น, า น, ธธนี่อันนี้มันหยั่งวิญญาณอุตปานี้ปัญญาอุตตปานี้วิญญาณอุตตปานี้แม็คฟังเสง ถ้าว่าเป็นอันเดียวกันท่านมาพูดทาไมว่าปัญญาอุดยปานีอร า, างังนดมปานิปัญญาอปานีนนจะรย์ลด้ือจาเป็นอะไจะต้องมาพูดถ้าเป็นอันเดียวกันปาหมายถึงความละเอียดปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วอยาได้เกิดขึ้นแล้วฮัลโลกุตปาดิคสว่างกระจาจได้เกิดขึ้นแล้วในธรรมจักรโบรสุ เอาเนี่ยพูดเราเนี่ผมมันมียาส่งงเดาเอาเาพูดสนุกหนึ่งเอา